BOOK 2 36าสหการขนส่งมวลชน <Local traffic. S 2> ป้าปายรถโดยสารอยู่ที่ไหนครับรรถเมล์คันไหนไปกลางเมืองครับ มผมต้องไปสายไหนครับวิลกินลีนี้สเกลย์จะผมต้องต่อรถไหมครับสเกลย์จะสกิ e ผมต้องต่อรถที่ไหนครับวอร์สเกลย์จะสกิตัตัวรถราคาเท่าไหร่ครับแวะค t าตัวบิลเล็ t กี่ป้ายก่อนที่จะถึงกลางเมืองครับวอร์มานเกสต็อปเปสสเตอร์เอร์ท์เออรรคุณต้องลงรถที่นี่ครับ skal her. คุณต้องลงข้างหลังครับอีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับทีนี่เป็นรถไฟใต อ, อีก15นาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาครับเดลิ t ต์สปอร์ตวันคุ้า10นาทีอีก15นาทีรถเมคานต่อไปจะมาครับเม15รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรครับก So, รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรครับวอนนอร์กาอรถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไรครับ์เดิคุณมีตั๋วรถไหมครับขวตตั๋วรถหรือไม่มีผมไม่มีตั๋วรถครับ ง, งันต่าองเยั้อคาุณต้องเสียค่าปรับครับ s องีั s ้องคัุณต้องเสียค่าปรับครับุณต้องเสียค่าปรับครับุเ่บรอสบุาบ